คือชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิธได้พระราชทานแนวพระราชดําริการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําโดยการฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําทานตลอดจนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มคล้ายแอ่งรับน้ําที่ไหลออกจากที่สูงและไม่สามารถระบายออกมาได้หมดตามธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร ม, มนาธบพิธจึงทรงพระราชทานพระบรมราชาธิบายโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ําท่วมโดยเน้นวิธีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่กรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนําแนวทางดังกล่าว มาปรับใช้เพื่อจัดสร้างแหล่งน้าที่เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำชะลอความรุนแรงเมื่อเกิดสภาวะน้าท่วมโดยปัจจุบันมีอ่างเก็บน้าและฝายที่สามารถใช้การได้ประกอบด้วยภาคเหนือมีอ่างเก็บน้ําม3 8แห่งฝาย255แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอ่างเก็บน้ํา1 7 4แห่งฝาย282แแห่งภาคกลาง มีอ่างเก็บน้ำา10แห่งฝาย53แห่งภากตะวันออกมีอ่างเก็บน้ำา19แห่งฝาย68แห่งภากตะวันตกมีอ่างเก็บน้ำา24แห่งฝาย46แห่งและภากใต้มีอ่างเก็บน้ำา17แห่งฝาย83แห่งที่ช่วยรองรับปริมาณน้ำฝนลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน